ท่านจะกลายเป็นคนเพอ้อฝันหลงละเมอคิดแต่จะพึ่งโอปะปะติกะอย่างเดียวจนกระทั่งในที่สุดตัวเองกลายเป็นคนอ่อนแอไรสมรริภาพไม่คิดพึ่งตัวเองไม่พยายามทำตัวเองให้มีความรู้ความสามารถอันนี้ต้องระวังให้มากที่สุดพูดง่ายๆว่าแม้ว่าเราจะสามารถติดต่อกับโอปะปะติกะได้ด้วยตัวของเราเองไม่ต้องพึ่งคนที่เป็นสือ่อกลางเลยก็ตามแต่มันก็จะเหมือนกับว่า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 ความมีตกกังวลความไม่สบายใจต่างๆอันนี้คือกำแพงที่กางกัน้นไม่ให้เราได้รับความช่วยเหลือจากโอปปาติกะแต่ถ้าหากเรามีความสงบมีสมาธิอยู่เสมอในชีวิตประจำวันก็มักจะได้รับการดนใจหรือการชักจูงจากโอปปาติกะอยู่เสมอเพราะฉะนั้นแคลนสำคัญในอันที่จะให้ตัวเราได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือจากโอปปาติกะก็คือ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 เป็นคนที่มีวิบากมาดีมากเคยเป็นใหญ่เป็นโตมาแล้วเคยผ่านงานที่ยากๆมาแล้วถ้าเขาสามารถติดต่อด้วยตัวเองได้เขาก็จะกลายเป็นอัจฉริยะมนุษย์ที่มีความสามารถเหนือคนอื่นมากมายหมายเหตุผู้อ่านสําหรับเรื่องจิตเป็นสมาธิให้ร่างกายพร้อมเป็นสื่อเพื่อให้โอปปาปฏิกะช่วยได้นั้น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 แต่หมายรวมไปถึงอภัยทานหลายคนฝึกสมาธิไม่สงบก็เพราะขาดพื้นฐานที่ดีนะครับแต่ถ้าพื้นฐานคือฐานและศีลมีมาพร้อมในเวลาปกติแม้จะไม่ได้ฝึกสมาธิจิตก็พร้อมจะเป็นสมาธิได้ง่ายกว่าคนอื่นดังนั้นจึงไม่ควรมองข้ามพื้นฐานที่จำเป็นของสมาธิคือฐานและศีลที่ต้องทาให้ได้ก่อนและในระดับที่มากพอด้วยนะครับ